วันนี้เป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาคำสั่งคำสอน อันวิเศษของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้เป็นศัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีความรู้ความสามารถความฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าการได้ศึกษา ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์สุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าการได้ยินได้ฟังจากสื่อต่างๆจากแหล่งต่างๆวันนี้เราจะมาฟังคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทกัน อย่าให้มีความประมาทอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะความประมาทก็คือความตายมหมายความว่าคนที่ประมาทก็เหมือนคนตายเพราะคนประมาทจะไม่ทำในสิ่งที่มีคนมีประโยชน์กับตนเองจะทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และจะทำในสิ่งที่เกิดโทษกับตัวเอง เพรบางทีคนตายนี้ยังดีกว่าคนที่ไม่ตายแต่เป็นคนที่ประมาทเพราะอย่างน้อยคนตายก็ยังไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้กับตนเองได้แต่คนที่ประมาทนี้นอกจากไม่สร้างความสุขให้กับตนเองแล้วยังสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอีกด้วยเพราะเพราะคนที <c> ่ <oughs> ประมาดนี้จะลืมความจริงของชีวิตไปนั่นเองลืมความจริงว่าชีวิตเ่านี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงแล้วเราจะต้องไปกันต่อข้างหน้าชีวิตของพวกเราไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกาย เราไปต่อกันเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายก็เป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่เราใช้ขับพาเราไปไหนมาไหนพอรถมันพังไปคนขับรถก็ต้องออกจากรถถ้ามีเงินก็ซื้อรถใหม่ได้ถ้าไม่มีเงินก็ต้องโบกรถหรือเดินไปเงคนฉลาดนี้ที่ คนที่ใช้รถยนต์อยู่เป็นประจำนี้จะต้องเตรียมเงินเตรียมทองไว้เพราะรู้ว่ารถที่ใช้ในวันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเก่ามันก็ต้องพังแล้วถ้ายังต้องใช้รถต่อไปอยู่ก็ต้องมีเงินซื้อรถใหม่ถ้าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นหมดเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นไม่เก็บเงินไว้สําหรับซื้อรถคันใหม่พอ รถคันเก่าพังไปก็จะไม่มีเงินซื้อรถคันใหม่ก็จะต้องขึ้นรถโดยสารเป็นรถตู้ขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถอะไรไปถ้ามีสตางถ้ายังมีสตางเหลืออยู่ถ้าไม่มีสตางเหลืออยู่เลยก็ต้องเดินไปคนที่ประมาทนี้จะเป็นคนที่ไม่มองถึงอนาคตของตนเอง คิดว่าตัเองนี้จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คิดจะหาความสุขแบบง่ายๆแบบเร็วๆก็คือการใช้เงินใช้ทองหาความสุขต่างๆแทนที่จะเ <c> ก <oughs> ็บเงินเก็บทองไว้หรือเอาเวลามาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับจิตใจ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอันนี้ก็คือการทำบุญกันการสร้างบุญสร้างกุศลกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีคนมีประโยชน์ต่อจิตใจเพราะจิตใจนี้สามารถเอาไปกับใจได้แต่สิ่งอย่างอื่นนี่เอาอะไรไปไม่ได้ตายแล้ว เอาไปไม่ได้เลยเงินรองเท่าภูเขาก็เอาไปไม่ได้ครอบครัวบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ <c oughs> สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ให้ความสุขในขณะที่มีร่างกายอยู่ก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ <c oughs> ถ้าไม่มีบุญเอาติดตัวไปก็ไปแบบขอทานไปแบบคนที่ไม่มีเงินสำรองติดตัวไว เวลารถพังไปก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อรถใหม่เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อาศัยข้าวของเงินทองต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้แต่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไม่สามารถที่จะเอา ของที่เราใช้ที่ให้ความสุขกับเรานี้ไปใช้ในโลกในโลกทิพย์ได้ของที่เราจะใช้ในโลกทิพย์ได้ก็คือบุญหรือบาปบาปนี้ก็จะให้โทษกับเราให้ความทุกข์กับเราบุญก็จะให้ประโยชน์ให้ความสุขกับเราเฉะนั <c oughs> ้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรานี้อย่าตั้งอยู่ในความประมาท การไม่ตั้งอยู่ในความประมาณนี้ทำอย่างไรก็ให้คอยเตือนใจถามใจอยู่เรื่อยๆว่าถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ <Okay. S 1> เรากำลังทำบุญเรากาลังทำบาปหรือเรากำลังหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ okay. Okay. สิ่งที่เราไม่ควรทำก็คือบาปเพราะบาปนี้ก็เป็นเหมือนเป็ น, นเอาหนี้สินติดตัวไปต้องไปใช้หนี้ในในโลกทิพย์ส่วนการหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วสิ่งที่จะเอาติดตัวไปได้ก็คือบุญกุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเรามาหมั่นปฏิบัติกันนั่นเอง เ, ออเออบือนนี้มีสามขั้นด้วยกันบนขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานออการแบ่งปันการให้การเสียสละ เ, ออเรียกว่าทานออทำแล้วทาทานแล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาออคือความสุขใจออความสุขใจนี่แหละที่จะอยู่ติดกับใจไปเวลาใจไม่มีร่างกาย ใจยังมีความสุขได้ไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปดื่ม <Yeah. S 2> ใจจะมีความสุขจากบุญที่ได้กระ ท, <Yeah. S 2> ทาเอาไว้่านที่สองก็คือการ <Yeah. S 2> ไม่กระทาบาป <Yeah. S 2> ทำบุญแล้วก็ต้องไม่กระทาบาป <Yeah. S 2> เพราะการกระทาบาปนี้ <Yeah. S 2> ก็จะมากลบบุญที่เราทำไว้ <Yeah. S 2> กลบความสุขที่เราทำไว้ เวลาทำบุญเสร็จแล้วเราไปทำบาปต่อความสุขที่ได้จากการทำบุญก็จะถูกความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปมากกลบเอาไว้ <c oughs> เราก็ต้องอย่าทำบาปกันด้วยการรักษาศีลต่างๆกันศีลก็มีตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองยี 10, ิบเจ็ เป็นต้น <Yeah. S 1> นี่คือศีลที่จะระงับการสร้างความทุกข์ให้กับใจ mm hmm. ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับการกระทำบาปแต่เวลาที่เราทาบาปทุกครั้งนี้เราจะรู้สึกมีความไม่สบายใจ mm hmm. เวลาเราเไปหลอกลวงใครนี่เราจะไม่สบายใจ เวลาเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเราจะไม่สบายใจเวลาเราไปพูดประพฤติผิดประเพณีเราจะไม่สบายใจเวลาเราไปฆ่าผู้อื่นเราจะไม่สบายใ จ, จ, ยใจถ้าถ้าเราไม่ทำการกระทาเหล่านี้ความไม่สบายใจก็จะไม่เกิดความสุขใจที่ได้จากการทำบุญก็ ก็จะให้ความสุขกับเราต่อไปได้แต่เวลาที่เราทำบาปแล้วนี้มันไม่ได้หมายความว่าบุญของเราที่เราทำหายไปเพียงแต่ว่าถูกบาปมันมาม า, มาย่างทำหน้าที่ก่อนมาแสดงผลก่อนแต่ถ้าเราไม่ทาบาปก็จะไม่มีบาปมาคอยอแสดงหน้าที่มาคอย กันบุญไม่ให้ปรากฏขึ้นมา <c oughs> นี่คือบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำสองขั้นแรกคือทำทาน <S 2> <S 2> แล้วก็รักษาศีล <S <S แล้วก็ทำขั้นที่สามคือภาวนา <c oughs> <c oughs> ภาวนาก็คือการทำใจให้สงบสงบแบบชั่วคราว ร่าสงบแบบถาวรสงบแบบชั่วคราวก็คือสงบด้วยการเจริญสมถภาวน า, าเทวดาอนนี้โปรดนดน้ำมนตให้กับญาติพี่น้องอมามาร่วมแสดงความยินดีไม่ต้องกลัวหวนเล็กๆน้อยๆ อ, อาบน้ำเปียกมากกว่านี้ยังเปียกได้ เล่นสงการนี่เปียกกันทั้งตัวยังเปียกได้พอมาฟังเทศแล้วมีเทวดามาปะพรมน้ำมนให้หน่อยนี่กับไม่ยินดีต้องสาธุอนุโมทนาว่าเทวดาเขามาร่วมแสดงความยินดีด้วยการปะพรมน้ำมนให้กับพวกเรา ก็คิดว่าวันนี้อาบน้ำโดยที่ไม่ต้องถอดเสื้อผ้าก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ำกันอยู่ดีไม่ใช่เลยเสื้อผ้าถึงแม้จะถอดก็ต้องเอาไปซักอยู่ดีเดี๋ยวมันก็ต้องเปียกเสื้อผ้าก็ต้องเปียกร่างกายเราก็ต้องเปียกตอนนี้มันจะเปียกก็ให้มันเปียกไปก็เท่านั้นเองไม่ได้เป็นเรื่องอร้ายกาจอะไรเรื่องร้ายกาจก็คือ การที่จะทําให้เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันมากกว่าเพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเรามากมากกว่าร่างกายของเรามากกว่าเสื้อผ้าของเราฉะ <Yeah. S 1> นั้นถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อน <Yeah. S 1> กับน้ําฝนที่โปรยลงมาเล็กๆ็กน้อยๆ้อยปล่อยให้มันโปรยลงมา <Yeah. S 1> เน้นเตอนให้กลับ เรียกว่าเครื่องปรับอากาศของธรรมชาติให้ทั้งความเย็นให้ทั้งความชุ่มฉ่ำงั้นลองฟังไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับผลที่มันตกลงมาแล้วเราจะมีความสุขทั้งกายและสุขทั้งใจกายก็ได้น้ำเย็นๆฉโมลมร่างกายไปอยู่เรื่อยๆใจก็จะได้ธรมรมะฉโลมใจไปอยู่เรื่อยๆ งั้นขอตั้งใจฟังไปเถิดผลแค่นี้ไม่เสียหายหรอกไม่เดือดร้อนผ้าเดี๋ยวก็ต้องไปซักอยู่ดี mm. เดี๋ยวก็ต้องเปียกร่างกายเดี๋ยวก็ต้องไปอาบน้ำอยู่ดี mm. ผมก็ต้องไปสระอยู่ดี mm. งั้นถ้าจะเปียกตอนนี้เพื่อให้เราได้น้นํามนได้ได้ธรรมะมาชฉลมใจก็คิดว่าเป็นการคุ้มค่าต่อการเสียทางร่างกาย คือการเปียกทางร่างกายวันก่อนฝนตกหนักว่านี้มีมีอยู่ท่านนังนั่งอยู่กลางฝนนั่งขัดสมาธิแล้วก็ฟังเทศไปตลอดหนึ่งชั่วโมงคนอื่นนี้หนีเข้าที่ร่มหมดมีท่านผูน้นี้นั่งนั่งขัดสมาธิฟังทำไปนั่งหลับตาฟังทำไปได้ตลอดอยู่ที่ใจเราเท่านั้น ถ้าใจเราไม่กลัวมันทุกอย่างแล้วมันไม่ทําอะไรเราได้หรอกแต่ถ้าเรากลัวมันมันก็จะมาทําเราให้เรากลัวอยู่เรื่อยๆนั้นเราต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาถ้าเรามีเหตุมีผลมีปัญญาพิจารณาความจริงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ใจเราหวั่นไหวได้แต่ถ้าเราใช้อารมณ์ใช้ความหลง มันก็จะทําให้เราหวั่นไหวหวาดตัวกับสิ่งต่างๆได้เห็นวิธีที่จะทําให้ใจเราไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญปัญญากันคือให้พิจารณาความจริงสิ่งที่ทําให้เราหวั่นไหวกันอยู่มากๆก็คือความไม่แน่นอนของร่างกายเรานี่ เ, เราชอบให้ร่างกายเราแน่นอน ให้ช้าให้ร่างกายเราเป็นปกติให้ร่างกายเราแข็งแรงให้ร่างกายของเร า, าสุขสบายแต่ถ้าเรามองด้วยความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่าร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปตามวาระตามโอกาสของมัน มันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆมันจะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไปเรื่อยๆมันจะต้องตายไปวันใดวันหนึ่งถึงเวลาแล้วไม่มีใครมาลั ง, งับได้แม้พระพุทธเจ้าพระหลานท่านก็ลั ง, งับความตายของร่างกายของท่านไม่ได้แต่ต่างกันตรงที่ใจของท่านนี้ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวไม่วิตกไม่กังวล เพราะท่านยอมรับความจริงของร่างกายว่าฝืนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้แต่ห้ามความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้เราสามารถห้ามมันได้ ด้วยการยอมรับความจริงของร่างกายเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ร่างกายเย็นร่างกายเปียกตอนนี้ร่างกายร้อนขึ้นมาแล้วแดดออกเองครับตอนนี้ร่างกายแห้งนะพอร้อนขึ้นมาก็เป็นปัญหาอีกครับพอเย็นพอเปียกก็เป็นปัญหาเพราะเรามีความต้องการไม่ให้มันเปียกไม่ต้องการให้มันโดนแดดมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมา นันเราต้องหัดฝึกจิตใจของเราให้ปล่อยวางร่างกายตอนนี้เรามาคิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมกันมาฝึกซ้อมจิตใจให้ปล่อยวางร่างกายเพียงช่วโมงเดียวเท่านเ้นเพียงช่วงที่เราฟังเทศฟังธรรมตอนนี้เราจะปล่อยให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วตั้งใจฟังเทศฟังธรรมไปส่วนอะไรจะมากระทบกับร่างกายจะเป็นฝนจะเป็นแดด จะเป็นลมก็ปล่อยให้มันเป็นไปดูซิว่าใจเราจะาหวั่นไหวไหมเป้าหมายของการฟังเทศฟังธรรมเพื่อนำเอาไปปฏิบัติเพื่อสอนฝึกใจไม่ให้หวั่นไหวใจเรานี่สามารถไม่หวั่นไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราเอามาฝึกฝนอบรมฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆต่อไปมันจะไม่หวั่นไหวกับความแก่ จะไม่หวั่นไหวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่หวั่นไหวกับความตายจะไม่หวั่นไหวกับอะไรต่างๆที่มากระทบผ่านทางร่างกายไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าเราฝึกฝนอบรมด้วยการบําเพ็ญจิตภาวนาด้วยการฝึกนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นกลางแล้ว เสรมิมด้วยการสอนให้ใจมีปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ให้เราปล่อยวางอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ฝนตกก็อยากจะให้หยุดตอนนี้ฝนหยุดแดดออก็อยากจะให้แดดหายไปอีกพะเกิดความอยากขึ้นมา ใจก็เลยหวั่นไหวใจก็เลยงดเก็ดนำคาญใจขึ้นมาลองมาฝึกทำใจให้เป็นกลางๆเป็นผู้รู้อย่างเดียวเป็นผู้รู้แดดรู้ฝนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมที่เข้ามาสัมผัสมากระทบกับร่างกายของเราใจทำใจเฉยได้ถ้าเราตั้งใจ ตอนนี้ก็ถ้าใจมันเริ่มที่จะหวั่นไหวก็พุดโธพูดโธไปหรือพยายามตั้งใจฟังไปหรือใช้ปัญญาว่าร่างกายมันก็อย่างนี้แหละมันไม่เนีย้ยมันไม่มีเงแท้แน่นอนเดี๋ยวร้อนบ้างเดี๋ยวเย็นบ้างเดี๋ยวเปียกบ้างเดี๋ยวแห้งบ้างเดี๋ยวมันก็ตายไปในที่สุดแม้ว่าเราจะดูแลรักษามันให้ดีอย่างไร ในที่สุดมันก็ไม่พ้นความตายไปได้ฉะนั้นพวกเรามาฝึกตายก่อนตายกันดีกว่าหัดตายกันก่อนตายถ้าเราตายเป็นแล้วเวลาถึงเวลาตายจริงนี้เราจะสบายเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนลนขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับความตายไม่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายถ้าเรารู้จัก ฝึกจิตใจให้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางให้ร่างกายมันเป็นไปตามเรื่องของมันในช่วงที่เราฝึกหัดนี้เราต้องอย่าไปแตะร่างกายเลยเช่นตอนนี้สมมติเรานั่งสมาธิกันอยู่นี้อย่าไปแตะร่างกายในร่างกายจะเป็นยังไงไม่ต้องไปขยับมันปล่อยมันเป็นไปมันจะคันตรงไหนก็ปล่อยมันคันไปมันจะเจ็บตรงไหนก็ปล่อยมันเจ็บไปแดดมันจะ สองเข้ามาทำให้มันร้อนก็ปล่อยให้มันร้อนไปดูซิว่ามันจะตายไหมแล้วถ้ามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีก็ปล่อยมันตายไปถ้าตายแบบนี้แล้วไปดีไปสบายไปนิพพานเลยไปแบบไม่ต้องมากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปดังนั้นการปล่อยวางร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกขัดกัน อย่าไปทำานุบำรุงมันมากจนเกินไปเอาตามเหตุตามผลตามมีตามเกิดก็พ อ, อประขาดแบบพระที่พระเจ้าสอนให้พระปฏิบัติกัน อ, อยู่กันแบบมากน้อยสามสันโดษเย็นดีตามมีตามเกิดร่างกายนี้มันไม่ต้องมีอะไรมากามีเพียงปัจจัยสี่ก็พอแล้วมีอาหาร มีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่ต้องเป็นแบบรูราเป็นแบบที่มีราคาแพงบ้านก็ไม่ต้องเป็นปราสาทราชวางังบ้านเป็นกระท่อมก็อยู่ได้เหมือนกันคือบ้านก็มีไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนั้นเรื่องอะไรต้องไปหาเงินมาแทบเป็นแทบตาย เพื่อมาซื้อบ้านใหญ่โตเพื่อมาหลบแดดหลบฝนซื้อเช่าบ้านเขาอยู่ดีกว่าไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองมาทุกข์กับการหาเงินหาทองแล้วก็มาทุกข์กับการที่จะต้องมาห่วงสมบัติอกีกมีบ้านก็ต้องห่วงบ้านอกีกแต่ถ้าเช่าบ้านนี้มันก็ไม่ห่วงมากบ้านมันไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่จ่ายค่าเช่าไปเท่านั้นเอง ให้คิดแบบนี้แล้วเราจะได้จิตใจของเราจะได้ไม่วุ่นวายจิตใจของเราจะได้ไม่วหวั่นไหวเราต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็น เป็นของเราเป็นเราเป็นเจ้าของไม่มีตัวเราเสียได้ซ้ำไปตัวเราก็ไม่มีตัวเรานี่เป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองความคิดที่ไปคิดว่าเป็นเราขึ้นมานั้นเองพอเวลาหยุดคิดแล้วตัวเรามันก็หายไปกับความคิดแต่พวกเราไม่เคยหยุดคิดกันเราก็เลยคิดว่าไอ้ตัวเรานี้มีเป็นของจริงกันแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิกันมานั่งทำใจให้สงบ นั่งบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวใจหยุดคิดพอหยุดคิดคำว่าตัวตนมันก็หายไปจากความรู้สึกทันทีนี้ก็เหลือแต่ตัวรู้เท่านั้นเอง <Yeah. S 1> นั่นแหละคือตัวตัวจริงของพวกเราก็คือตัวรู้ <Yeah. S 1> ตัวรู้ที่ที่ตอนนี้ยังเป็นตัวหลงอยู่หลงตามความคิด yeah. หนตามความคิดความคิดบอกนี่เป็นตัวเราน่างกายนี้เป็นตัวเราสมบัติชิ้นนี้เป็นของเราคนนี้เป็นของเราคนนี้เป็นแฟนเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกเราเป็นอะไรเราพอคิดอย่างนี้ปั๊บมันก็ถูกหลอกแล้วพราะเจ้าถึงมาสอนบอกว่าถึงแม้มันจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราแบบชั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรอยู่ไปได้ตลอดเนี่ยร่างกายของเราร่างกายของแฟนเราร่างกายของลูกเราร่างกายของพ่อแม่เราของพี่น้องเรามันเป็นของชั่วคราวน่ยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นขี้เท่าเลยไปลออังคารเยไปลอยอังคานะไปไปรไนะมเมื่อก่อนก็เป็นร่างกายเองเต็มรูปแบบเหมือนของเราเลย แต่พอมันหลดลมหายใจมันก็เปลี่ยนสภาพกายเป็นขี้เท่าไปในที่สุดมันไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเป็นของเราก็ให้เราคิดว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เรายืมมาของทุกอย่างที่เรามีกันนี้เรายืมมาจากใครรู้เราก็ยืมมายืมมาจากธาตุสี่นี่เอง ยืมมาจากธาตุดินน้ําลงไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้กับธาตุดินน้ํำลงไฟไปเนี่ยของใช้ต่างๆส่วนใหญ่เราไปคืนคืนที่ไหนรู้ไหมที่ก อ, กองขยะเนี่ยกองขยะเนี่ยเป็นที่ที่รับของคืนเนี่ยซื้อของอะไรมาต่างๆพอใช้ไม่ได้แล้วเก็บไว้ในบ้านก็เกะกะก็เอาไปทิ้งกองขยะกัน แล้วเขาก็มาเก็บกองขอยะไปฝังกลบในดินต่อไปก็กลับคืนสู่ดินไปนั้นพยายามคิดถึงความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วมันจะทำให้เรานี้ปล่อยวางได้ไม่ไปยึดไม่ไปติดถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ถือว่าเป็นของเราใจเราจะไม่ทุกข์กันสังเกต ด, ดูสิ คนหรือสิ่งที่เราไม่ไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้เราจะไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหาวบ้านเขาจะเป็นจะตายนี้เราไม่ไปทุกข์กับเขาแต่คนไหนที่เราไปถือว่าเป็นของเราขึ้นมานี้ทุกทันทีพอแฟนเราไม่สบายทุกขึ้นมาทันทีพอลูกไม่สบายทุกขึ้นมาทันทีพอพ่อพอแม่ทุกขึ้นมาก็ไม่สบายทันทีไม่สบายใจทันที แล้วไปทำอะไรได้บ่ากับความไม่สบายใจเร่างกายของเขาก็ต้องทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามเรื่องของเขาอยู่ดีร่างกายของเขาในที่สุดก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปร่างกายของเราก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปร่างกายของลูกของหลานของพี่ของน้องของเพื่อนของแฟนก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเหมือนกันอังนั้น ให้คิดอย่างนี้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์เราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเป็นของคนอื่นเป็นของเรายืมเข้ามาใช้ถ้าเป็นของคนอื่นนี้เราไม่ค่อยทุกข์ใช่เวลาเราไปยืมของใครเข้ามาใช้นี้ถ้าเป็นของของคนอื่นนี้เราจะไม่ค่อยรักไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยห่วงเท่าไหรแต่ถ้าเป็นของเรานี่เราจะรักจะห่วงเพราะมันจะมีความอยาก อะไรเป็นของเราก็อยากจะให้เป็นของเราไปเรื่อยๆไม่อยากจะให้มันหมดไม่อยากให้มันจากเราไปแต่เรามองความจริงแล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะไม่จากกันเรามีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาพระพุทธเจา้าทรงสอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวมันอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ไป เกิดแล้วก็ดับตั้งอยู่สักพักเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นทุกครั้งที่เราจะทุกข์กับใครกับเรื่องอะไรให้คิดถึงคำว่าอนัตตานี้เถอะถ้าคิดได้แล้วเข้าใจความจริงเราจะไม่ทุกข์กับเขาทันทีพอเราทุกข์กับคนนั้นคนนี้ก็บอกว่าเขาก็เป็น มีความสัมพันธ์กับเราชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วเป็นของเราชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปแล้วแล้วก็จากแบบจากเป็นก็ได้จากตายก็ได้ยังไม่ทันกลับไปเป็นดินน้ำลมไฟบางทีก็จากเราไปก่อนก็ได้บางทีมีภารกิจที่จะต้องเดินทางไกลไปอยู่ที่อื่นก็ต้องมีการจากกันนะขอให้เราคิด อย่างนี้อยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วถ้าจะเสริมความคิดนี้ให้มันมีน้ำหนักก็เราต้องมาฝึกทำสมาธิกันบ่อยๆฝึกทำจิตใจให้สงบพอเวลาจิตใจสงบแล้วนี่มันจะหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วความรู้สึกว่ามีตัวเราของเรานี้มันจะหายไปหมดแล้วมันจะเหลือแต่ตัวรู้เท่านั้นเอง เราถึงจะรู้ว่าเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวเราที่แท้จริงคือตัวรู้แต่เราจะไม่ไปถือว่าเป็นตัวเราเพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวรู้เราต่อไปเราก็จะฝึกใจของเราให้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้เห็นคนนั้นคนนี้ก็สักแต่ว่ารู้ รู้สมมุติรู้ว่าอเขาสมมุติว่าเขาเป็นแฟนเราเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราก็เป็นเพียงแต่สมมุติเอะความจริงเขาก็เป็นดินน้ํำลมไฟนี้เองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ํำลมไฟร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เป็นการรวมตัวของดินน้ำลมไฟ พอมีดินน้ำลมไฟมาผสมกันก็เลยทำให้เกิดมีอาการสามสิบสองเหมือนกับต้นไม้นี่พอมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมารวมกันก็ทำให้เกิดต้นไม้ขึ้นมาร่างกายก็เป็นเหมือนต้นไม้ต่างตรงที่ร่างกายนี้มีผู้รู้หรือธารู้มาครอบครองจึงมีลักษณะที่พิเศษกว่าพวกต้นไมต้ต้นไม้นี้เขาไม่มีตัวรู้ เขาไม่รู้สึกอะไรไปตัดต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่รู้สึกเจ็บเแต่ร่างกายของเรานี้มีตัวรู้พอไปตัดแขนตัดขาของร่างกายไปถอนฟันนี้ก็จะรู้ว่ามันเจ็บขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ความเจ็บมันก็ไม่ใช่ตัวรู้อีอ่ะไม่ใช่ตัวความเจ็บก็เป็นความเจ็บของร่างกายเหมือนกับความเจ็บของต้นไม้นี่ร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อน เวลาถอนฟันมันก็ไม่เดือดร้อนคผู้ที่เดือดร้อนก็คือตัวรู้ตัวรีตตัวรู้ที่ถูกตัวหลงมาหลอกให้คิดว่าเป็นตัวเรานั่นเองเหตุนั้นถ้าเรารู้ทันตัวตัวหลงตัวคิดที่ไปคิดว่าเป็นเราให้ไปคิดว่ามันเป็นเหมือนต้นไม้มันมันมันมเป็นมันมาจากดินน้ำลมไฟถึงแม้มันจะเจ็บเวลาที่มันถูกถูกทิ่มถูกแทงก็ตาม แต่มันก็เจ็บที่ร่างกายมันไม่ใช่เจ็บที่ใจใจไม่ต้องไปเจ็บกับมันตอนนี้ใจของเรามันชอบไปเจ็บกับร่างกายพอร่างกายเจ็บใจก็เจ็บไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยเพราะใจไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้ร่างกายเจ็บนั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เฉยเฉยให้ปล่อยวางให้รู้เฉยเฉย ใครรู้ว่าเวลาร่างกายเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บแต่อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บอยากไปอยากให้มันหายเจ็บมันอยากก็ไม่หายอยู่ดีมันเจ็บมันก็ต้องเจ็บแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บเรารู้เฉยๆใจของเราก็จะไม่เจ็บใจของเราก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้ปัญหาของพวกเรานี่ใจของเรานี่ทุกไปกับทุกเรื่อง เรื่องที่เจ็บไม่เจ็บก็ทุกเนี่ยเพียงไม่เพียงแต่มันร้อนนิดหนึ่งขึ้นมาก็ทุกแล้วก็เจ็บขึ้นมาแล้วเพียง<ะ>แต่เปียกขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทุกแล้วเพราะมันอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่เปียกกันเราต้องอ ม, มาฝึกจิตใจของเราให้อยู่เฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยด้วยการฝึกสมาธนะิแล้วเรามาฝึกสมาธิพุโทโธพุโทโธนั่งเฉยเฉย ปล่อยร่างกายอย่าไปยุ่งกับร่างกายเวลาเรานั่งสมาธิร่างกายจะคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้จะอยากจะอมเกินน้ำลงน้ำลายหรืออะไรก็อย่าไปสนใจปล่อยมันไปมันน้ำน้ำลายมันจะไหลก็ให้มันไหลไปมันจะคันตรงไหนก็ปล่อยมันคันไปมันจะเจ็บตรงไหนก็เจ็บไปใจของเราให้อยู่กับสติไปเรื่อยๆ ถ้าตอนนี้ฟังธรรมก็ใช้การฟังธรรมเป็นสติได้ตั้งใจฟังไปอากาศมันจะร้อนบ้างมันจะเย็นบ้างฝนจะตกลงมาบ้างก็ปล่อยมันตกไปเราก็ฟังเทศฟังธรรมไปถ้าไม่ไปสนใจกับเหตุการณ์ที่มากระทบกับร่างกายใจของเราก็จะเฉยได้แล้วต่อไปใจเราจะมีความแข็งจะไม่หวั่นไหว กับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับทางร่างกายนี่แหละคือการฝึกจิตของเราเพื่อรับดับความทุกข์ต่างๆใจของเราตอนนี้ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้อยู่เฉยๆให้นิ่งเฉยไม่ให้ไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆใจของเราถูกกิเลสตัณหาคอยุคอยาให้เรา รักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างเราต้องมาแก้ตัวนี้แก้ตัวที่จะมาคอยยุยงให้เรามีรักชังกลัวหลงกันวิธีที่จะแก้ก็คือขั้นตนก็ต้องแก้ด้วยสติถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้ใจก็ไม่สามารถที่จะกิเลสหรือตัวที่มาคอยยุยงนี้มันก็ทำงานไม่ได้มันต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ มายุให้เราลักยุใ ห, ให้เราชังยุให้เรากลัวยุให้เราหลงกันยิ่งถ้าเราฝึกหยุดความคิดได้เวลาไม่มีความคิดแล้วความลักชังกลัวหลงมันก็จะหายไปชั่วคราวเวลาจิตสงบจิตตั้งอยู่ในสมาธิในอุเบกขาเหลือแต่ผู้รู้สักแตวรู้อยู่ตามลําพังตอะ น, นั้นใจจะเป็นใจที่มีพลังมาก เป็ในใจที่ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสมากระทบกับร่างกายจะคันตรงนั้นจะเจ็บตรงนี้มันก็จะเฉยๆเหมือนกับเวลาที่เราไปถอนฟันแล้วหมอฉีดยาชาใช่เวลาหมอฉีดยาชาหมอถอนฟันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยถอนเสร็จแล้วยังถามหมอเสร็จแล้วเหรอที่ว่าจะเจ็บไม่เจ็บเลย ว่เาเหมือนเรามียาชามากันไว้ไม่ให้เราไปรับรู้ความเจ็บของของการถอนฟันแต่ถ้าเราไม่มียาชานี่เราหม อ, อขยับฟันหน่อยยังไม่ทันถอนเลยเราอะไรมาเคาะหน่อยนั้นก็เพราะตรงตรงที่มันปวดนี่โอ้โหก็ปวดขึ้นมาสุดขีดเลยแต่พอฉีดยาชาปับ๊บทีนี้เฉยเลยไม่รู้สึกอะไร สมาธินี่ก็เป็นเหมือนยาชาที่จะมาฉีดให้ละเราให้ใจนี้ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายสิ่งที่จะเข้ามาทางตาหูจะหมุกตึ้นกายนี้จะเฉยได้ได้ยินเสียงอะไรก็เฉยได้อย่างเช่นตอนนี้เสียงดังคนกำลังใช้เครื่องตัดยุงตัดหญ้าเราก็เฉยได้ถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้มัน เงียบอย่างนี้เป็นต้น <Yeah. S 1> เราถ้ามีอุเบกขาแล้วมันจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างเสียงเข้ามาจะเสียงดังเสียงค่อยเสียงด่าเสียงชมก็จะเฉยกับมันได้ <Yeah. S 1> รูปเห็นรูปอะไรก็เฉยได้ <Yeah. S 1> รูปดีรูปไม่ดีก็เฉยได้ก <Yeah. S 1> ินรสก็เหมือนกัน <Yeah. S 1> โผฏพหะก็คือ <Yeah. S 1> ความรู้สึกที่ <Yeah. S 1> มากระทบกับร <Yeah. S 1> ่างกาย ความร้อนบ้างความเย็นบ้างความเปียกบ้างอย่างฝนตกแดดออกอะไรทํานองนี้ <c oughs> ถ้าใจเป็นมือเป็นอุเบกขาแล้วใจจะเฉยใจสบาย <c oughs> มันจะเปียกก็เปียกไปมันจะร้อนก็ร้อนไป <c oughs> ถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจจะเย็นใจจะสบาย <c oughs> ใจจะมีความสุข <c oughs> ดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเราไม่มีกัน <c oughs> คืออุเบกขาไม่มีสมาธิ ไม่มีความสงบเราจะมุ่นวายกันวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจก็ดีใจพอเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจไปก็เสียใจถ้าได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็ไม่สบายใจไม่พอใจ<ๆ>ก็ต้องคอยดิน้นแกว่งไปแกว่งมาพอเจอของที่รักก็แกว่งเข้าหา พอเจอของที่ฉันก็แกล้งหนีอยู่เฉยๆไม่ได้วุ่นวายกับการแก่งไปแก่งมาเพราะรูปเสียงกดลิ่นรถมันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีบางทีก็ถูกใจเราบางทีก็ไม่ถูกใจเราเมื่อกี้นั่งตรงเนี้มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งหลายอย่างเมื่อกี้เปียกแล้วเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวนี้ไม่เปียกไม่ร้อนนะเดี๋ยวนี้สบายแล้ว แต่ถ้าเราทำใจเฉยๆว่ามันจะเปียกก็ปล่อยมันเปียกไปมันจะร้อนก็ร้อนไปมันจะไม่เปียกมันไม่ร้อนก็ก็ปล่อยมันเป็นไปเราก็อยู่เฉยๆไปถ้ามันไม่เฉยเราก็ต้องใช้สติใช้พุโทโธหรือถ้าตอนนี้ใช้ธรรมะก็ฟังธรรมไปอย่าไปสนใจกับสภาวะที่เข้ามากระทบกับร่างกายของเราต่อไปถ้าฝึกบ่อยๆต่อไปเราจะเฉย ตางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าต่อไปเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้ใจจะไม่มีปฏิกิริยาไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงไปกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสมากระทบนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมของการศึกษาธรรม เพื่อฝูกใจของเรานี้ให้สัจตวรรู้ไม่ให้มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจผ่านทางร่างกายหรือผ่านทางความคิดของใจเองถึง แ, แม้บางทีไม่มีเหตุการณ์ที่มากระทบกับทางตาหูจมูกนิ้นกายความคิดของเราก็มากระทบกับใจเราได้บางทีคิดเรื่องที่เราไม่ชอบก็ไม่สบายใจขึ้นมาะ คิดถึงเรื่องที่หวาดกลัวก็กลัวขึ้นมาทล้ทั้งๆที่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรมาปรากฏเลยก็ทุกข์ขึ้นไปก่อนนะแต่ถ้าเราระ ง, งับความคิดได้เวลามันคิดอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็หยุดมันได้แล้วต่อไปก็สอนให้มันคิดไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยมไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงสักวันหนึ่งของที่มัน รู้สึกเที่ยงอยู่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปร่างกายต่อไปมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็จะต้องตายไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับมันเราก็ยังเป็นเราอยู่นั่นแหละเราก็เป็นผู้รู้เราก็ไม่ได้ไปได้ไปเสียอะไรกับการเป็นไปของร่างกายร่างกายก็เป็นเพียงสมบัติชั่วคราวที่เราถูกความหลงหลอกให้เอามาใช้ เป็นเครื่องมือหาความสุขแต่ความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมันก็มีความทุกข์เข้ามาด้วย <Yeah. S 1> เพราะความสุขที่ได้จากผ่านทางร่างกายนี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวอีกเหมือนกัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวพอเวลามันหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ <Yeah. S 1> เวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไป <Yeah. S 1> เราก็ร้องหง่มร้องไห้กัน เสียอกเสียใจกันยังั้นทางที่ดีถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องมาเศร้าโศกเสียใจเราก็อย่าไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราดีกว่าอย่าหาความสุขผ่านทางร่างกายให้หาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะการทำใจให้สงบนี้จะเป็นความสุขที่เราสามารถควบคุมได้สามารถรักษาเก็บเอาไว้ได้ให้เป็น ของเราตลอดเวลาได้ให้ให้ความสุขกับเราไปตลอดได้เมื่อเรามีความสุขจากที่เราได้จากการภาวนาแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเราจะไม่ต้องไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมา ทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขก็ทําใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้นเองถ้าเร า, อ, าอยู่ในขั้นสมาธิเราก็ใช้วิธีของสมาธิทําใจให้สงบถ้าอยู่ในขั้นปัญญาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้สงบด้วยการระ ง, งับความอยากตา่างๆพอใจเราอยากได้อะไรปั๊บใจเราจะเริ่มกวนกวายกระสับกระสายขึ้นมา พอเราระ ง, งับความอยากได้ปั๊บความ ก, กาังวลก歪ความไม่สบายใจก็จะระ ง, งับไปแล้วความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่าเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะควบคุมได้และทำให้มันเป็นความสุขที่ถาวรได้เหมือนใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระหลันตสสาวก ท่านได้พัฒนาได้ปฏิบัติจนทำให้ใจของท่านนี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไปเพราะท่านค้นพบสาเหตุที่ทำให้ใจของท่านทุกข์ก็คือความอยากสามประการนีเองคือกามะตนะภาวะตนาและวิภาวะตหากามตัตนาก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผ อย่างที่พวกเรายัางหากันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีการมาตัณหากันตื่นขึ้นมาก็การมาตัณหาก็ออกลิดแล้วอยากจะดื่มกาแฟแล้วอยากจะอะไรขึ้นมาถ้าต้องการให้ร่างกายก็ไม่ต้องดื่มกาแฟดื่มน้ำเปล่าๆก็ได้ถ้าเป็นการให้เลี้ยงดูร่างกายก็ไม่ถือว่าเป็นตัณหาความอยากเพราะร่างกายมันเป็นความจําเป็น มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยอสนับสนุนเวลามันขาดน้ําก็ต้องเติมน้ําให้มันขาดอาหารก็ต้องเติมอาหารให้มันแต่ถ้าเราไปอยากได้น้ําที่มีสีมีกลิ่นด้วยอันนี้มันก็เป็นกามาตัญหาอยากได้ความสุขอยากได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มที่เราดื่ม ก็เช่นอยากจะดื่มกาแฟหรืออยากจะดื่มน้ำผ ล, ลไม้ mm hmm. คนส่วนใหญ่เวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆนี้ร mm hmm. ่างกายยังไม่พร้อมที่จะรับของหนัก mm hmm. ก็ต้องเอาของเบาๆก่อน mm hmm. พวกฝลัง่ง mm hmm. ก็ชอบกาแฟชอบน้ำผ ล, ลไม้ mm hmm. พวกคนจีนก็ปลาท่องโกหรือโจ๊กเจ๊กอะไรกินกินของง่ายๆก่อน mm hmm. อันนี้ก็เป็นกามาตันหาแล้พวพอตื่นขึ้นมาก็ เกิดการมาตัญหาทางปากก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เกิดปัญหาการมาตัญหาทางตาแล้วกินเสร็จแล้วทีนี้ก็อยากจะรู้อยากเห็นอะไรอยากอ่านหนังสือพิมพ์แล้วอยากจะรู้ข่าวสารแล้วว่าตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรที่ไหนเกิดขึ้นมาบ้างแล้วเดี๋ยวก็อยากจะฟังนู่นเนียเปิดฟังเพลงบ้างอะไรบ้างเพื่อให้มันเพลิดเพลินนะี่เรามีการมตัญหาตลอดวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ กามาทัญหาทำงานอยู่เรื่อยๆภาวะตัญหาก็มาเวลาเวลาฝนตกก็อยากจะให้มันหยุดอันนี้ก็เป็นภาวะทันหาอย่างหนึ่งหรือเันวิภาวะทันหาก็ได้ไม่อยากให้มันฝนตกก็เรียกวิภาวะตันหาอยากให้มันแดดออกให้มันไม่ไม่มีฝนฟ้าขนองอะไรตัวนี้มันก็มีทั้งภาวะทันหาวิภาวะทันหาสลับกันไปในแต่ละวัน ไปขับรถไปเจอรถติดก็เกิดภาวะวิภาวะตันหาอยากไม่ให้มันติดอยากให้มันวิ่งคล่องสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นภาวะตันหาส่วนใหญ่ภาวะตันหากับวิภาวะตันหานี่มันจะเป็นเหมือนเหรียญเหรียญอันเดียวกันเนี่ยแต่เป็นสองด้านอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้น ส่วนใหญ่ภาวะทันหากับวิภาวะตันหานี่มันมักจะมาพร้อมกันพอมันไม่ชอบตอนนี้มันก็อยากจะให้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ชอบก็ อ, อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็จะเรียกว่าวิภาวะทันหากับภาวะตันหาอย่าพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยปั๊บก็อยากให้มันหายเจ็บอยากให้มันหายอยากให้ความเจ็บไข้าหายไปเพื่อเราจะได้กลับไปสู่สภาพที่เราชอบ คือสภาพตอนที่เราสบายไม่มีไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไอตัวสามตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจที่พระพุทธเจ้าและพระหลานตรสาวงทั้งหลายนี้ท่านมีความสามารถที่จะหยุดบรรได้ด้วยการใช้อนิจังทุกขังอนัตตาด้วยการใช้อุเบกขาต้องมีเครื่องมือสองชนิดนี้ ถึงจะสามารถสู้กับความอยากเหงนี้ได้พอตื่นขึ้นมาพออยากจะดื่ ม, อ, มอยากจะดื่มกาแฟอยากจะดื่มอะไรก็ถามว่าใครเป็นผู้ดื่มกันแนะ่ผู้ดื่มคือใจหรือผู้ดื่มคือร่างกายนะถ้าผู้ดื่มคือร่างกายร่างกายมันต้องการอะไรกันแนะ่ร่างกายมันต้องการน้ำเท่านั้นแหละใช่ไหม ให้น้ำเปล่ามันไม่ใช่ทำไมจะต้องเป็นน้ำกาแฟทำไมต้องเป็นน้ำผลไม้ด้วยผู้ที่อยากจะได้น้ำกาแฟน้ำผลไม้คือใครก็คือการมาตัญหาเนี่ความอยากได้รูปเสียงกดลิ่นรสของกาแฟรูปเสียงกดลิ่นรสของน้ำผลไม้อันนี้คือการใช้ปัญญาเพื่อที่จะได้แยกแยะให้รู้ว่าถ้าเราต้องดื่มอะไรต้องกินอะไรนี้เราดื่มเพื่อใครกินเพื่อใครใเพื่อที่เราจะได้ ตัดไอ้พรกกรรมตัณหาที่มันแทรกมากับการต้องการของร่างกายร่างกายต้องการน้ําก็ให้น้ํำเปล่าๆนี่น้ำสะอาดเนี่ยร่างกายต้องการน้ําสะอาดเท่านั้นกินกาแฟมากๆก็เป็นโทษกับร่างกายเสียได้ซ้ํำไปกินอะไรมากๆที่มีรูปที่มีสีมีกลิ่นมีรสนี่มันจะเป็นโทษกับร่างกายเช่นน้ําตาลมีรสหวานนี่กินมันมากเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานกันเอง ดันั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับร่างกายเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายก็คือของสะอาดของที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสมากกว่าเพราะของที่มีสีมีกลิ่นมีรสนี้มันมักจะไปทำให้มีการเสียหายหเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ดันั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะถ้าเราต้องการที่จะมากาจัดกามตัหาภาวะตัหาวิภวะตัหาต่างๆ ให้มันหมดไปจากใจเราก็ต้องใช้ปัญญารู้จักแยกแยะว่าทำเพื่อร่างกายหรือทำเพื่อตัณหาถ้าทำเพื่อตัณหาก็ต้องหยุดอย่าไปทำแยกออกถ้าต้องการให้น้ำกับร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าไปดื่มน้ำเปล่าแล้วก็จะรู้สึกร่างกายสดชื่นขึ้นมาทันทีไม่ต้องใช้กาแฟไม่ต้องใช้น้ำผลไม้ก็ได้และไม่ยุ่งยากกว่าด้วยง่ายกว่าสะดวกรวดเร็ว กินกาแฟก็ต้องต้มน้ำต้ม อ, อะไรหาน้ำตาลหากาแฟหาอะไรมามแต่ถ้าดื่มน้ำเปล่านี่ก็ดื่มสบาย<ม>ชีวิตจะไม่วุว่นวายแล้วบางวันอยากจะดื่มกาแฟกาแฟหมดก็งดเกียอีกทุกข์ขึ้นมาอีกหรือไฟดับต้มน้ำไม่น้ำไม่ได้จะกินดื่มกาแฟนอนๆสักแก้วก็ดื่มไม่ได้ใช่ะงั<ม>้นะ คนเจริย่างพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี่ท่านจึงคอยกาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านให้หมดไปพ อ, อมันหมดไปแล้วทีนี้ใจของท่านก็อยู่กับทุกสภาพได้ร่างกายจะขาดน้ำขาดอาหารก็อยู่กับมันได้ออถ้ามันหาน้ำไม่ได้หาอาหารให้มันไม่ได้ก็ต้องอยู่ตามสภาพไปออถ้ามันต้องตายก็ต้องปล่อยมันตายไป แต่ใจของท่านจะไม่มีภาวะทันหาวิภาวะตัญหาก็มาเกี่ยวข้องด้วยภาวะตัญหาอยากจะให้มันไม่ตายวิภาวะทัญหาอยากจะให้มันไม่เจ็บนี้มันก็จะไม่มีในใจถ้าไม่มีตัญหาต่างๆอยู่ในใจแล้วใจจะรู้สึกเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายกับสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลรู้จะเป็นสิ่งของต่างๆจะเห็นหมดว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ม, มันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาไม่มีใครเอาอะไรไปได้เวลาใจเรามาในโลกนี้เราก็มาด้วยใจเปล่านี้ที่ติดตัวมาก็คือบุญกับบาปโดยนิสัยที่ชอบทาบุญทำบาปติดตัวมาทนั้น แต่เราไม่ได้เอาอะไรมาแล้วเวลาเราไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญกับบาปหรือความสงบหรือความวุ่นวายใจอะไร่นี้ฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เรานี่ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้แล้วจะทําให้เราตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้อยากให้เขาอยู่ดันนะ่อยากให้เขาดี เราก็เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งต่างๆมันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวบางทีก็ดีเดี๋ยวบางทีก็ไม่ดีเดี๋ยวใชมั้มตอนนี้แดดออกเอีนแล้วร้อนขึ้นใหม่กก็ปล่อยมันไปอันนี้เรามาฝึกฝนอบรมไม่ไม่นานหรอกเพราะหลังอุ่สา บ, บินมาจากต่างประเทศเพื่อมานอนอาบแดดเนี่ยเพราะบ้านเขาไม่มีแดดเนี่ยไอเรากับวิ่งหนีแดดกันเพราะเราได้แดดมากเกินไป เราไม่อยากให้ผิวเราค้าแดดฝรั่งนี้ผิวเขาเขามันผิวเขามันขาวเขาอยากจะให้มันคำ้ำเขาก็สาเสียเงินเสียทองบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อบนอนอาบแดดกันนั้นอยู่ที่ใจของเราใช่ไหมแดดบางคนกับชอบแดดบางคนกับปวดแดดความจริงแล้วร่างกายมันรับได้ทั้งร่างกายมันก็ร่างกายอันเดียวกัน ร่างกายที่รับแดดกับร่างกายที่กลัวแดดก็ร่างกายอันเดียวกันปัญหาไม่ไดอ้อยู่ที่ตัวร่างกายปัญหาอยู่ที่ตัวใจที่ไปมีความอยากนั่นเองอยากเนี่ยภาวะทัญหาวิภาวะตัญหา่ะะญหาอยากอาบแดดอยากไม่อาบแดดอยากไม่ให้ผิวถูกแดดทำให้ผิวคั้าขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวที่มาสร้างปัญหาให้กับใจเราอยู่ตลอดเวลา ดัน้พยายามสังเกตดูทุกครั้งที่เราทำอะไรทุกครั้งที่เราทำถามว่าเราทำด้วยความอยากหรือเปล่าด้วยทำด้วยความจำเป็นถ้าจำเป็นต้องทำนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากเหตุถ้ามีเหตุการณ์บังคับให้ทำเช่นร่างกายมันบังคับว่าหิวน้ำก็ต้องดื่มน้าให้มันร่างกายมันหิวข้าวก็ต้องหาข้าวให้มันกินแต่การหิวข้าวนี้มันมันมันอาจจะมีใจมาหลอกได้นะ บางทีกินอิ่มๆกินอิ่มเพิ่งไปเสร็จไม่นานมันยังบอกหิวได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นความหิวทางใจพอเห็นขนมขึ้นมาเพิ่งกินข้าวเสร็จไปอิ่มๆ อ, อยากกินขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ไม่ได้หิวทางร่างกายแล้วแต่เราต้องรู้ว่าความหิวทางร่างกายนี้เราแก้อย่างไรบางทีทางร่างกายก็คือง่ายๆก็ให้มันกินวันละครั้งนี่ก็พอหลังจากนั้นมันไม่หิวแล้ว่ะ ถ้ามันเป็นความหิวนี้มันไม่ได้เป็นความหิวทางร่างกายนะมันเป็นความหิวทางใจเราก็อย่าไปทําตามอย่าไปกินมัน <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าให้พวกเราฝึกงดการกินอาหารตอนต้นก็เอาเอาแค่มื้อเที่ยงก่อน <Yeah. S 1> แล้วต่อไปก็ให้กินมื้อเดียว <Yeah. S 1> แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการทําตามความอยากของใจอยากกินนูน่นกินนี่อยู่เรื่อยๆ กินมันทั้งวันเลยกินระหว่างมือ้อกินก่อนมือ้อกินหลังมือ้อกินได้ตลอดเวลาเพราะว่าใจเราไม่มีความสุขในตัวเราเองเราก็เลยต้องมาหาความสุขจากการกินการดื่มการรับประทานอะไรต่างๆแล้วก็เลยทําให้เกิดมีเป็นเหมือนกับเป็นคนติดติดกินงันต้องคอยกินอยู่เรื่อยๆ แล้วพอกินมากเกินไปก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอีกนี้ก็ต้องคอยไปหาหมออก็เลยต้องไปกินยา ล, ลดน้ำหนักลดไขมันลดน้ำตาลทำไปทามาเดี๋ยวก็ร่างกายก็ต้องมีปัญหาอาจจะต้องมีการมีการถ่ายอวัยวะไตใช้ไม่ได้ใช้มากเ ก, กินไปมันพังเลย ลงไปเปลี่ยนใจเปลี่ยนอะไรกันอีกเพราะเราใช้ร่างกายเกินเหตุเกินผลใช้ร่างกายตามความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายกันนั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกปฏิบัติจิตภาวนาได้ทำจิตใจให้สงบได้ทุกครั้งที่เราไม่มีความสุขเราก็เข้าสมาธิไปทุกครั้งที่เราอยากมีความสุขก็เข้าสมาธิไปหรือถ้าทุกครั้งที่เรา ทุกพราะความอยากแล้วก็ฝืนไปอย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปเดี๋ยวพอความอยากมันหยุดไปปั๊บความทุกข์ก็หายไปความสุขก็จะกลับเข้ามาแมทนที่อันนี้คือ <c oughs> วิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอรันตาสาวุกทั้งหลาย <c oughs> ในการที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจในการที่จะบำบัดความทุกข์ให้กับใจนี้ ท่านต้องมาแก้ที่ใจไม่ได้ไปแก้ที่ร่างกายนะร่างกายไม่ใช่เป็นที่ปัญหาปัญหาของความสุขของความทุกข์ใจอยู่ที่ความสงบหรือไม่ความสงบของใจอยู่ที่ความอยากหรือไม่อยากของใจนะมีอยู่แค่สองประเด็นนี้นะถ้าใจสงบแล้วใจจะมีความสุขใจจะไม่หิวนะถ้าใจ <Hit. S 1> ถ้าใจมีความอยากแล้วใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมา ถราไม่ต้องการให้มีความทุกข์ทุกครั้งที่มีความทุกข์ให้หันเข้ามาดูที่ใจว่าตอนนี้เราอยากอะไรแล้วเราก็พยายามหยุดความอยากนั้นด้วยปัญญาให้ได้ถ้าเราหยุดมันได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรความทุกข์ก็หายไปใจเราก็กลับมาสงบใจของเราก็กลับมามีความสุขต่อไปได้แก้ปัญหาที่ใจอย่าไปแก้ที่อื่น อย่าไปแก้เพราะเงินไม่พอใช้ต้องไปหาเงินมาใช้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอย่าไปแก้เพราะเราไม่สะดวกที่จะไปไหนมาไหนต้องไปซื้อรถยนต์มาขับไปไปซื้อมาขับก็ต้องมีภาวะภาระกับการดูแลรถยนต์อกีกถ้าไม่มีเงินก็ต้องผ่อนส่งอกีกเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มขึ้นมาแทนที่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงกลับมาสร้างความทุกข์ให้มากขึ้น วิธีที่จะสร้างความความทุกข์ให้น้อยลงสร้างความสุขให้มากขึ้นนี้ต้องมาทำที่ใจทำใจให้สงบถ้าเบื้องต้นทำหยุดความอยากไม่ได้ก็มาใช้วิธีทำใจให้สงบ ก, ก่อนอฝึกสมาธิฝึกสติกันก่อนพอมีอยากจะมีความสุขก็เข้าสมาธิไปแล้วต่อไปเราก็ใช้วิธีที่สองเวลาใจเกิดความไม่สบายใจเกิดไม่มีความสุขขึ้นมา ก็ระงับความทุกข์ระงับความอยากเสียระงับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากระงับความอยากสามประการนี้มีสามตัวนี้เท่านั้นที่มาคอยก่อกวนให้กระใจเราวุ่นวายอยู่นี่เลยคือกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นทุกครั้งที่เรามีความไม่สบายใจลองไปถามไปค้นดูมันม ien. ีสามตัวนี้เท่านั้น ที่ทำให้เราไม่สบายใจกันแล้ววิธีกล้ก็คือทำใจให้เฉยเฉยพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปทําตามความอยากหรือใช้ปัญญาว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเราไปห้ามมันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเกิดไปฝนมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดมันจะออกก็ปล่อยมันออกไปถ้าเราฝึกผลได้ต่อไปใจของเราก็จะฝืนความอยากได้ฝืนความอยากได้ความทุกข์ก็ไม่เกิด นั่งท่ามกลางฝนได้นั่งฟังสมาธิท่ามกลางฝนได้ทําท่ามกลางแดดได้เวลาแดดเดาก็คิดว่าเราเป็นฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยก็แล้วกันมานั่งอาบแดดกันเวลาฝนตกก็คิดว่าเราอาบน้ํากันเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าห้องน้ําอาบน้ํากันเนี่ยถ้าคิดเป็นนะมันไม่มีอะไรเป็นปัญหาหรอกปัญหาคือเราคิดไม่เป็นกันคิดตามความอยากมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆขึ้นมา นี่แหละคือการเพื่อพุติบาลปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ทําให้ท่านเป็นพระบรมศาสดาเป็นครูของเป็นสัตถาเทวามนุษยาสนงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาของทั้งหลายเพราะท่านรู้จักวิธีสร้างความสุขวิธีกําจัดความทุกข์ที่ถูกต้องพวกเรานี่ยังไม่รู้จักวิธีวิธีสร้างความสุขสร้างความทุกข์ของพวกเรากําจัดความทุกข์ของพวกเรานี้ยกับเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปมากกว่า เราจึงไม่พ้นจากความทุกข์เสียทีตั้งแต่ติ่นมาจนบัดนี้เราก็วิ่งหาความสุขกันพยายามดับความทุกข์กันมันก็ยังไม่หายไปสียทีเพราะเราไม่เราไม่ได้ทำที่ถูกต้องนั่นเองไม่ได้มาทำที่ใจไม่ได้มาทำใจให้สงบต้องมาหยุดความอยากต่างๆฉนั้นต่อไปนี้ลองมาเปลี่ยนวิธีกันแทนที่จะไปหาเงินหาทองหารูปเสียงกลิ่นรสหาอะไรมาให้ความสุขมาหาความสงบกัน มาหาปัญญาที่จะมาระงับความอยากกันเถอะแล้วต่อไปใจของเรานี้จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขเหมือนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายนี่คือเรื่องปัญญาที่พระพุทธเจ้านำมามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับพวกเราที่พวกเรามาศึกษากันในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมห um ังคิปเมวะสเิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปะ จันโทปนะระโสยทามะนิโชติระโสยทาสัพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทิคายุโกภวะอภพิวาเทนสีิทษะนิจังวุธาปจายโน จตารโหเมาวัฏติอายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามกันใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอกรณาอย่าถามหลังจากที่เราเลิกแล้วเพราะจะไม่สะดวก อยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะจากเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต3ามร้อยห o าิเจเฟซบุ๊พอจอสุชาติอภิชาโต44ิยอดรวมเฟ c บุ๊ o k 4 1 YouTube 186วิทยุออนไลน์10 z o ู m 6 ผู้รับฟังหน้ากุติร2อิรวม728ท่านค่ะถ่ามีคำถามก็เชิญได้เลยคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติมี2คํคำถามค่ะคำถามที่1ถ้าเราทำธุรกิจแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายรู้สึกเป็นทุกข์ควรวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์คะก็ยอมรับความจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเหตุกับผลเราสร้างเหตุได้เท่านี้ผลมันก็ได้เท่านี้ ไปเปลี่ยนมันไม่ได้ก็พยายามทําต่อไปถ้าเรายังอยากจะได้ผลที่ดีกว่านี้เราก็ต้องคิดคนดูว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เราไม่ได้ผลนี้ที่เราต้องการเพราะว่าผลไม่ไม่เกิดจากความอยากอยู่ดีๆปีนี้ยจะได้สิบล้านแล้วทําไปทํามาได้ล้านเดียวเมันก็เป็นเรื่องของความสามารถของเราก็เหมือนกับเวลาสอบทุกคนก็อยากจะได้ร้อเนใช่ไหม แต่สอบเได้แค่ห้าสิบนี่มันก็เป็นเครื่องวัดความสามารถของเราว่าเรามีความสามารถเท่านี้เองถ้าเราต้องยอมรับความจริงอยา่าต้องดูความจริงอยา่าไปดูความอยากถ้าไปดูความอยากแล้วมันจะทำให้เราผิดหวังแลวจะทำให้เราเสียใจได้หรือถ้าอยากก็อยากน้อยๆอยากได้อยากให้ทำาันทำแค่ไม่ขาดทุนก็พอคิดอย่างนี้พอได้กาไรสักสิบบาทก็ดีใจแนละ้ว ถ, ถ้าจะมีความอยากก็ อยากน้อยๆทำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พอไม่อดอยากพอไม่ขาดทุนกแ็แค่นี้แล้จะไม่ผิดหวังจะมีความสุขเพราะส่วนใหญ่จะได้มากกว่าที่เราต้องการ ท, าที่เราอยากได้แต่ถ้าเราไปตั้งความอยากอยากได้เยอะๆอย่างนี้พอไม่ได้มันก็เลยทุกข์ใจเ ร, เราต้องมาปรับที่ใจเราดีกว่าแต่ว่าต่อไปนี้เราถามตัวเราเองดีกว่า ของที่จําเป็นจริงๆนี่เราต้องมีสักกี่ต้องมีสักกี่บาทกันเอาแค่ทํามาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นแหละพ อ, อเราได้สิ่งที่จําเป็นแล้วถ้าได้เกินมาก็ถือว่าเป็นเป็นบุญของเราเป็นกําไรของเราไปแล้วเราจะไม่จะไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่ อ, อย่าไปหวังมากอย่าไปมากมากง่ายๆอย่าไปโลภมากโลภมากแล้วมักจะทําให้เราผิดหวังกันแล้วเราก็จะมาทุกข์กัน คำถามที่สองอมอมเมื่อหัวหน้าตักเตือนชี้แนะให้เราในเรื่องงานเราควรลดความรู้สึกต่อต้านอย่างไรควรวางใจแบบไหนคะก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นหัวหน้าเราเขาต้องเป็นคนสอนเป็นคนบอกเราเราเป็นลูกน้องเขาเราจะไปสอนไปบอกเขาได้ไยังไงยันเวลาเราไปสมัครงานไปทำงานที่ไหนเราต้องทำใจแล้วว่าถ้าเขาจ้างเราเป็นลูกน้องเราก็ต้องเตรียมรับคาสั่งคาสอนของเจ้านายแล้วลนะ่ะ ถ้าเราอยากจะได้เงินเดือนจากเขาเจ้าคุณฟรีดอมพระที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติพระท่านเอาจิตไว้ที่นิพพานใช่ไหมครับใม่ใช่เรานิโรธสมาบัติไม่ใช่นิพพานก็สมาธินี่เองทำจิตให้สงบระดับสูงสุดระดับสัญญาเวทิตะระดับสัญญาดับเวทนาดับสังขาร เหรือแต่ผู้รู้อยู่ตามลำพังเรียกว่านิโรธสมาบัติไม่ใช่ไม่ใช่นิโรธของนิพพานนิโรธของนิพพานนี้ต้องดับด้วยดับกิเลสด้วยปัญญาดับความอยากสามประการด้วยปัญญาถึงจะได้นิโรธแบบนิพพานอันนี้ดับด้วยสติเพียงแต่เพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์เช่นพุทธโธอารมหายใจแล้วจิตก็เข้าสู่นิโรธสมาบัติไป แล้วเดี๋ยวพอกำลังของสติอ่อนลงจิตก็ถอนออกมากิเลสก็ออกมาเพ่นผ้านต่อไปได้<ม>แต่ถ้าดับด้วยปัญญานีกิเลสจะไม่มีออกมาเพ่นผ้านอีกต่อไปเพราะกิเลสถูกทำลายหมดต่างกันตรงนี้<ม>คุณพัชสอนวิมุติบรรลุธรรมนิพพานคือตัวเดียวกันหรือไม่หากต่างกันต่างกันอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ต่างกันจาก ลักษณะเหมือนคนเรานี่เราก็คนเดียวแต่พูดได้หลายอย่างเป็นหญิงบ้างมีชื่อนั้นบ้างเป็นภรรยาของคนนั้นของคนนี้มันก็เป็นเพียงแต่อธิบายความคุณสมบัติของคนคนนั้นวิพานวิมุติก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของการดับความทุกข์วิมุติกับคนทุกข์วิพานก็ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุข มันก็เป็นพูดถึงตัวเดียวกันเรื่องเดียวกันคือจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงอย่างท้าวอนคุณพัฒสอนคำถามที่สองค่ะตอนทำกาละหากจิตยอยู่ที่ลมหายใจละสังโย์เบื้องต่ำได้จะหลุดพ้นได้ไหมคะไม่รู้นะละสังโยตไป็นละที่ลมหายใจมันละไม่ได้หรอกมันต้องไปละที่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ให้เห็นว่าที่ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นขันห้าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นเวทนาไม่ได้เป็นสัญญาสังขารวิญญาณเราเป็นผู้รู้ะนะแล้วก็ไม่ไปยึดไปติดกับรูปขันห้าขันห้าจะขึ้นจะลงจะเกิดจะดับก็ปล่อยมันเกิดมันดับไปอย่างนั้นถึงจะบรรลุได้ไม่ใช่ไปดูลมแล้วก็จะบรรลุตัด ตัดตัดสัมโยชน์มันตัดไม่ได้ดูแลมก็ได้แค่สมาธิหยุดหยุดหยุดกิเลสหยุดหยุดสัมโยชน์ได้ชั่วคราวแต่ตัดสัมโยชน์ไม่ได้นั่งรับสัมโยชน์คือความเห็นว่าร่างกายขันห้า ย, ยังเป็นตัวเราของเราอยู่พอหยุดด้วยสตินี่สัมโยชน์ก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากสัมโยชน์ก็หายไป แต่พอจากสมาธิมาใจก็เริ่มคิดใหม่ก็ยังกลับไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่กันฆ่าเป็นตัวเราของเราอยู่มันก็ทุกข์ต่อไปแต่ถ้าใช้ปัญญาตัดแล้วมันจะหายเลยมันจะไม่กลับมาสังโยชน์จะไม่กลับมาอีกต่อไปคุณพานุวงศ ในขณะเราสวดมนต์แล้วอยู่ดีๆนึกคิดหลักธรรมบางอย่างขึ้นมาได้ในหัวถือว่าปกติไหมครับก็เสียสติในขาดสติไงถ้าเราจะสวดมนต์ก็ต้องมีสติอยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียวถ้าไปคิดเรื่องอื่นปั๊บมันก็สติที่ใช้กับการสวดมนต์ก็หายไปยั้นเวลาที่เราจะฝึกสติก่จะให้มันอยู่เป็นเรื่องๆไปไม่ใช่กระโดดไปกระโดดม า, านแสดงว่ามันไม่มีสติ คุณน้ำครึ่งแก้วหากเราสมาทานศีลห้าแล้วทําผิดศีลจะบาปไหมเจ้าคะอาสมาทานศีลหก็ถือรักษาศีลนี่สิเราไปทําผิดศีลมันก็ไม่รักษาศีลนี่เงมันก็บาปการสมาทานนี้ไม่ได้ทําให้เรามีศีลนะการสมาทานเป็นเพลงเป็นการตั้งเจตนาว่าเราจะรักษาศีลที่เราจะมีศีลได้ก็ต่อเมื่อเรารักษาเหมือนถ้าเราไม่รักษามันก็เหมือน ของที่เราไม่รักษามันของมันหายไปแล้วเราไปฆ่าสัตว์นี้เราก็แสดงว่าเราไม่มีศีลข้อที่หนึ่งแล้วถ้าเราไปโกหกเราก็ไปเสียเสียศีลข้อที่สี่แล้วถ้าไปดื่มสุราก็เสียศีลข้อที่ห้าคำถามที่สองคุณน้ำครึ่งแก้ววิธีการถอนออกจากสมาธิควรทําอย่างไรถึงจะถูกต้องที่สุดเจ้าคะอ๋อไม่ต้องถอนอ่ะปล่อยให้มันถอนเอง นั่งสมาธิแล้วอย่าไปถอนมันถ้ามันสงบก็ปล่อยมันสงบไปจนกว่ามันจะถอนออกมาเองเพราะเราต้องการให้มันอยู่ในสมาธินา น, านๆให้มันมีความสุขมากๆให้มันมีอุเบกาขาบ้าปัญหาคือกลัวจะไม่ถึงสมาธิอยากจะอยากจะถอนออกมาด้วยกิเลสนะนั่งไปสักพักเบมื่อยแล้วอยากจะไปกินน้ำไปกินกาแฟไปกินขนมละก็เลยถอนออกมาหยุดถอนก็คือหยุด หยุภาวนาหยุดพุทโธหยุดดูลงมันก็ถอนออกมาทันทียันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอนยังยังไม่สงบแล้วยังไม่ถอนมันทําไมให้มันสงบก่อนแล้วเวลามันสงบก็ไม่ต้องไปถอนมันปล่อยให้มันถอนออกมาเองพอกําลังของสติที่พามันเข้าไปมันอ่อนลงมันก็จะถอนออกมาเพราะมันจะถูกกิเลสดันออกมากิเลสนี่มปนพยายามดันใจเราให้ไปหาลูกเสียงกลิ่นรสหาตาหูจมูกเล่นกาย ส่วนสติก็พยายามดึงให้มันเข้าข้างในมันเหมือนการชับกันเยอะกันถ้าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็นชนะถ้ากิเลสมีกําลังมากกว่าก็ลุกไปกินขนมไปเดื่มกาแฟกันถ้าสติมีกําลังมากกว่าจิตมันก็เข้าไปสู่สมาธิพอ เ, เข้าไปแล้วเดี๋ยวพอกําลังของสติอ่อนลงความอยากมันก็จะดันออกมาเองไม่ต้องไปถอนมันเดี๋ยวกิเลสมันจะช่วยถอนให้เองไม่ต้องไปถอน แต่ถ้าไม่อยากจะถอนก็ต้องต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ต้องพุโทโธใหม่ต้องดูลงใหม่ต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าไปข้างในต่อได้ <Okay. S 3> คำถามข้อที่สามทำไมทำสมาธิจิตไม่เคยสงบจริงๆเลยเจ้าคะขนาดท่องคําบริกรรมอยู่ความฟุงฟ้งซ่านก็ยังไม่หายไปเจ้าคะ่ะควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะสติน้อยสติมีกําลังน้อย ถ้าชักกระเยาะคือเขาฝ่ายฝ่ายตรงข้างๆก็มีสิบคนเรามีคนเดียวเราจะไปสู้เขาได้ไงเนี่ยเราต้องหาหาสมาชิกทางฝ่ายสติามาช่วยวิธีหาก็คือก่อนจะมานั่งเราก็ไปหาสติกันก่อนไปฝึกสติกันก่อนไปสร้างสติกันก่อนเราทําได้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาเราจะท่องพุโทโธไปเลยก็ได้ แล้วเราก็ไปทํากิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็พุโทโธพุโทโธของเราไปเนี่ยเราต้องไปเรียกพวกพ้องให้มาช่วยเราพวกสติพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นมากขึ้นพอเราไปนั่งสมาธิทีนี้เราก็จะหยุดความฟุ้งซ่านได้ทํำใจให้สงบได้ในเบื้องต้นถ้าเรานั่งสมาธิด้วยมันยังฟุ้งอยู่ก็สวดมนต์ไปก่อนดีกว่า เรานั่งหลับตาสวดไปภายในใจนี่แหละเหมือนเหมือนพุโทโธถ้าพุโทโธบางทีมันมันมันจําเจแล้วมันทําให้ไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้ก็ให้เป็นมาสวดดีกว่าเพราะการสวดมันจะต้องมีสติมันจะต้องรู้ว่ากําลังสวดบทไหนกํากลังสวดอยู่ตอนไหนที่ไหนดังนั้นพยายามฝึกสติให้มากมากก่อนก่อนที่มานั่งถ้านั่งยังฟุ้งอยู่ก็สวดมนต์ไปก่อนดีกว่า สวดหลายรอบสวดสักครึ่งชัวงช่วโมงชั่วโมงหนึ่งยังไม่ต้องไปหวังในการนั่งสมาธิหรอกเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีกำลังพอที่จะนั่งสมาธิได้ก็เอากัรฝึกสติไปก่อนส่วนมนไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงไม่ได้สวดให้เทวดาฟังสวดเพื่อให้มีสติสวดเพื่อให้ใจไม่ฟุ้งซ่าน คุณพัชรหากผักหากภาษะทําให้เราเกิดกรรมใหม่แล้วกรรมเก่ามีส่วนผลักดันให้เราไปเจอกรรมใหม่หรือไม่เจ้าคะภาษาไม่ใช่เป็นตัวทําให้เราเกิดกรรมหรอกตัวที่ทําให้เราเกิดกรรมก็คือกตัณหาความอยากภาษามันก็เห็นรูปมันก็เฉยเฉยมันก็ไม่มีกรรมเกิดขึ้นพอเห็นรูปแล้วอยากได้มันก็ไปทำกรรมลนะมันก็คิดไปหาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้ขึ้นมนาะมันก็เป็น กายกรรมวจีกรรมมนุกรรมขึ้นมาถ้าหาเงินไม่ได้ไม่มีเงนินก็ไปขโมยเงินเขาก็เป็นบาปกรรมไปถ้ามีเงินของเราเองก็ยังไม่เป็นบาปเป็นกรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนามกรณีการปฏิบัติภาวนาที่สถานปฏิบัติธรรมที่มีครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติภาวนาเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์มาอยู่ด้วยหากเราเปิดฟังเทศของครูบาอาจารย์ จะเอื้อให้เรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือไม่หรือควรจะไปปฏิบัติอย่างไรเวลาปฏิบัตินี้ถ้าเรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติแนละ้วก็ไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมนะ mm hmm. เวลาปฏิบัติก็เจริญสติแต่ถ้าเรายัางไม่รู้วิธีเจริญสติก็ต้องฟังเทศฟังธรรมไปก่อนอย่าไปฟังมากฟังมากแล้วมันบางทีฟั่นเฟือรู้ความรู้มากเกินไปกลายเป็นความรู้ท่วมหัว เอามานั่งคิดอยู่นั่นคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นนถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมะก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราอยู่ในช่วงที่จะทำใจให้สงบนี้เราอย่าไปคิดเรื่องธรรมเลยให้จิตอยู่กับพุทธโธอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งดีกว่านะเวลาทำใจให้สงบนี้รืมเรื่องธรรมต่างๆที่เราเรียนมาไปก่อนเพราะมันจะมาขัดขวางการทาใจให้สงบเลย คำถามต่อเนื่องคุณเมื่อสักครู่ค่ะหรือควรจะไปปฏิบัติในสถานที่ที่มีครูบาอาจารย์คะถ้าเรา out, ะะ a, ต้องการครูบาอาจารย์ก็ต้องไปหาที่ที่มีครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปอยู่ที่เราว่าเราขาดอะไรถ้าเราถ้าเราขาดสติเราก็ไม่ต้องไปหาอาจารย์หาอาจารย์ที่ไหนท่านก็บอกให้ไปเจริญสติเราก็ต้องไปพุทโธพุทโธของเราอยู่ดีแต่ถ้าเราขาดปัญญาเราก็ต้องไปหาอาจารย์ ถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาแต่ถ้ า, ายังไม่อยู่ขั้นปัญญาก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปดูอะไรมากคุณไอซ์เบอรี่หนูนั่งสมาธิมีสติรู้ตัวแล้วหนูรู้สึกว่ามีความดิดดิ้นข้างในเหมือนไม่อยากนั่งสมาธิต่อหนูก็พยายามวางเฉย คิดว่าเป็นสภาวะอาการที่เกิดขึ้นก่อนจิตสงบบังคับไม่ให้เกิดไปได้แต่หนูก็สู้ไม่ไหวมีอาการตอนที่พุทโธหายไปแล้วขอคําชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็ต้องเดินพุทโธกลับมาเท่านั้นนะถ้าเราไม่มีพุทโธก็เหมือนเราไม่ไปสู้กับเขาแนละ้วเขาก็สแสดงอาการขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีพุทโธพุทโธเดี๋ยวเขาก็ระงับไปต้องอย่าปล่อยพุทโธอย่าทิ้งพุทโธ ถ้จิตยังไม่สงบยังไม่นื่งทิ้งพุทธโธไม่ได้ถ้าเราใช้พุทธโธต้องพุทธโธต่อไปคุณสีขอทราบวิธีทําบุญถึงผู้ที่ค่าตัวตายเจ้าค่ะก็เหมือนกับวิธีอื่นแล้ก็เหมือนคนคนตายทั้งหลายนี่เราก็ทําบุญอุทิศให้เขาได้ใส่บาตรถวายสังฆทานบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนกับวัดนี่ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญ แล้เราก็เอาบุญนี้มาอุทิศให้กับผู้ร้องรับไปแล้วได้ถ้าผู้ร้องรับอยู่ในสถานะที่จะเรารับเขาก็รับได้ถ้าเขาไม่อยู่ในสถานะเขาก็รับไม่ได้พวกที่ฆ่าตัวตายมักจะไปอยู่ที่เขาไม่รับบุญกันเขาไปอยู่ในนรกกันคนที่จะรับได้ต้องร้อยเขาออกจากนรกมาก่อนออกจากนรกก็จะเป็นเหมือนคนออกจากคุกนคนออกจากคุกก็เป็นเหมือนขอทานเพราะไม่มีเงินอยู่ในคุกมันไม่มีรายได้ พอมาจากคุกก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากพี่น้องคนนั้นคนนี้พวกนี้เราเรียกว่าขอทานทางจิตวิญญาณพวกที่ออกจากนรกมาก่อนแล้วพวกที่ไม่มีบุญเก่าติดตัวมาพวกบางคนนี้มีทําบุญด้วยแล้วก็ทําบาปด้วยพอออกจากคุกก็ยังมีเงินที่สะสมไว้ก็ไปเบิกที่ธนาคารได้ก็ไม่ต้องไปขอจากใครแต่ถ้าไม่ได้ทําบุญทําแต่บาปอย่างเดียวเวลาตายไปก็ต้องไปติด คุกติดตารางในนรกก่อนแล้วพอเขาปล่อยออกจากนรกมาถึงจะมาเป็นเปรตต่อไปมาเป็นขอทานคุณศรีวิกาภาวนาพุโทโธอยู่เพื่อนบอกให้เปลี่ยนเป็นยุคพองควรเปลี่ยนไหมคะอ้าวเขาให้เราเป็นบ้าเราก็ต้องเป็นบ้าตามเขาแล้วเปล่ามาถามเราทําไมก็เราใช้ไหนแล้วมันได้ประโยชน์เราก็ใช้นั้นไม่ว่าจะแบบไหนมันไม่ได้อยู่ที่แบบหรอกมันอยู่ที่ว่าเรา เรามีสติทรมันหรือเปล่าถ้าใช้ยุบพองหนอพองหนอแตไ่ไม่มีสติอยู่กับมันอยู่ได้แค่สองสามคำมันก็เหมือนกับพุทธโธพุทธโธสองสามคำอย่างนี้ก็ต้องไปฝึกสติก่อนมันแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละสิ่งที่มันทำให้ไม่ไมเกิดผลไม่ใช่แบบหรอกมันอยู่ที่สติที่เราจะใช้กับแบบนั้นหรือแบบนี้เยางนั้นเราไปฝึกสติให้มีสติมากๆ ก, ก่อนแล้วใช้แบบไหนก็ได้ยุบหนอพองหนอดูลม ปา บ, บานจมูกก็ได้หนูพุโทโธพุทโธไปก็ได้คุณเลิฟมารดาหนูเสียชีวิตไปไม่กี่เดือนที่แล้วโดยกระทันหันทำให้ตอนนี้ลูกทุกคนตั้งมั่นหันมาศึกษาธรรมพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิและใส่บาตรทำบุญให้มากที่สุดเพื่ออยากให้มารดาได้บุญอยากทราบว่ามารดาจะได้รับไหมเจ้าคะก็แบบที่ตอไปแล้วนะแล้วแต่ว่ามารดาอยู่ใน ฐานะไหนติดคุกก็รับไม่ได้ถ้าไปเป็นเทวดาก็ไม่ต้องมาขอขอบุญจากพูนเพราะมีบุญเหลือเฟือมีบุญติดตัวไปเหลือเฟือ่อต้องเป็นขอทานเท่านั้นถึงจะมารอรับบุญได้หรือเป็นเปรตเปรนยิ่ก็คือขอทานทางจิตวิญ ญ, ญาณคุณกัลยาถ้าเราไปทําบุญพระท่านเมตตาเอาเงินเอาสิ่งของ ที่เขาทําบุญให้เราเราไม่อยากได้แต่ท่านบอกว่าผู้ให้ของต้องรับจะเป็นบาปไหมเจ้าคะถ้าไม่รับมันก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้อาอนุโมทนากับเกียตนาถุของเขาเขาอยากจะทําบุญกับเร า, เาถ้าเรารับเขาก็จะได้ไ ด, ได้บุญรับแล้วถ้าเราไม่ต้องการใช้เราก็ไปทําบุญต่อได้ เพรถ้าเป็นของเราแล้วเขาจะมาบังคับเราไม่ได้พอรับของของเขาเราต้องเก็บไว้ต้องใช้ของเขาถ้าเขามีกฎถ้าเขามีข้อแม้ก็อย่าไปรับได้แต่ mm hmm. ถ้าเขาให้แบบไม่มีข้อแม้เราก็รับเพื่อฉลองศรัทธาฉ mm hmm. ลองความเจตนาอารมณ์ที่ดีเขาอยากจะทำบุญกับเรา mm hmm. ก็อยากจะแผ่เมตตาให้เราเราก็รับความเมตตาของเขาไว้แล้วส่วนของที่เราได้มาเราจะ ใช้เองแล้วจะไปให้คนอื่นต่อก็เป็นเรื่องของเราคุณน้าครึ่งแก้วอยากมองคนอื่นให้เป็นอสุภะอย่างแท้จริงอยากทราบว่าเวลาเรามองคนอื่นเราต้องมนโนภาพอสุภะตับไตไส้พุงภาพโครงกระดูก ข, ขึ้นมาเองไปซ้อนทับกับคนคนนั้นใช่ไหมเจ้าคะก็ใช่เสีงั้นจะไปเห็นง่ายไงนะเพราะหนังของเขามันปิดหุ้มห่อไว้หมดใช่เราก็ต้องใช้ตาในคือตาปัญญา ต้องนึกถึงภาพของอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเพราะมันมันมีอย่างที่เราคิดอ่ะใช่ไห ม, มใต้ผิวหนังมีอะไรโครงกระดูกมีไหมมีทุกคนก็ะโลกศีรษะมีไหมมีบอดตับไตลำไส้มีไหมมีทั้งนั้นอ่ะก็นึกมันอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเรานึกถึงเงินสมัย น, นึกได้เงินกี่แสนกี่ล้านตัวเลขท น, นั้นท่งนี้นึกได้ใช่ไหอ ทางหน้าที่มันก็ไม่รงเงินก็ไม่เห็นแต่รู้เนี่ยเรามีเงินในบัญชีท่านั้นท่า น, นี้ก็แบบเดียวกันนี้เรามันชอบนึกแต่ตัวเลขมากกว่านึกอสุวภาเราถึงไม่ค่อยเห็นอสุภากันเรามักเรามัาจะเห็นตัวเลขกัน <laughs> คุณชิดชัยผมนั่งสมาธิทุกวันเวลานอนและจะไม่ค่อยฝันแต่พอไม่ได้นั่งสมาธิจะฝันทุกวันเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับ ก็เวลานั่งสมาธิมันหยุดความคิดไงพอเวลานอนมันก็เลยไม่ได้คิดความฝันก็เกิดจากความคิดของจิตนี่คุณวงเดือนการภาวนาคือการทําจิตให้มีที่อยู่ใช่ไหมคะก็ให้สงบไงการทาใจให้สงบ ก, ก็ที่ที่อยู่ของใจก็คือความสงบผู้ไม่ประสงค์ออกนามศีลทาให้ไปสุคติศีลทาให้ไปนิพพาน แต่คำว่าสีเลนะโพคสัมปทาแปลว่าศีลทำให้เกิดพกท้ศัพท์ใช่ไหมค ะ, ะเกิดได้อย่างไรคะธรรมะกินแบบอาชีพสุดเฉลตเ ง, งินทองที่ได้มาก็ไม่ถูกก็ยึดไปถ้าไปโกงมาเดี๋ยวเขาตามจับได้ได้มาเท่าไหร่เขาก็ยึดคืนไปหมด คุณเบตตี้คนที่นอนหลับไปแล้วไม่ตื่นเพราะหัวใจวายขณะที่ตายสติอยู่กับตัวหรือไม่จิตจะรู้หรือไม่คะว่าได้ละสังขารไปแล้วจิตจะเป็นบุญหรือบาปเจ้าคะออต้องไปถามเขาเราไม่ได้เป็นเขาหมดแล้ว อ, อ, อีกคำถามคำถามสุดท้ายคุณสีการนอนฟังธรรมนอนสวดมนต์เป็นบาปไหมเจ้าคะไม่หรบกเปนานอนหลับนอนไปสวดไปเดี๋ยวก็หลับ สำหรับคนที่นอนไม่หลับก็ใช้การสวดมนต์ดีกว่าการกินยานอนหลับนะี่กินยานอนหลับแล้วมันติดแล้วเวลาไม่มียากินแล้วมันจะนอนไม่หลับแต่ใช้การสวดมนต์นี้นเวลามราสวดได้ทุกเวลาที่เราต้องการ mm hmm. งั้นถ้านอนไม่หลับก็สวดมนต์ไปเดี๋ยวก็หลับเองเราเนี่นวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิจารณาไปปฏิบัติ